เทศเรื่องอะไรดีจริ ง, งอ่ะยกสัมภยาตาเขาเห็ตาตาว่ า, าปีงี้ <c oughs> ยังไม่รู้จะเทศเรื่องอะไรเลยต้ อ, องยกทรงเทศ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 ปุตรสูบสัมปทาปจิตตประโยชนตันต์ังเอตังพุทธานาสาสดันตีตีณโอกาสบัดนี้อาจะมาภาพจะแสดงพระสธรรมเทศนาในมาคคาถาเพื่อเป็นเครื่องสดสงองคาศธาบารมี ที่บรรดาธานิสราทานาบนดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปัก ค, คือในวันพระมาคบูชาวันนี้ทั้งนี้เพราะว่าบรรดาทามพุทธบริษัททั้งหลายมีความเลื่อมใสที่องค์สมเด็จพระชินทศสีพระมาสสัดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นเหตุ ยิงได้ตั้งใจมาคดับรับรถพุทธพจเทสนาเป็นคําส่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโรกปเกศในคารใครั้งนี้ความจริงเรื่องมาคาบูชานี้บรรดาธนพุทธบริษัททั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศักดิ์สินดาสัมมาทัตพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าสัพพปาปัชชะกันนัง กุสรรสูปัสมัธาสัจจิตาประโยชปัณณังเอตังพุทธานัศาสนังซึ่งแปลเป็นใจนความเป็นตอนตอนว่าหนึ่งสรรพป า, าปัสสะกระนังซึ่งแปลว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่จง้จงจักงละความชั่วทุกอย่างกฎสรรสูปัสมาาัธาต้งทํำแต่ความดี ะจิตตาประโยชน์ะปันนังต้องทําจิตใจผ่องใสจากกิเลสองค์สมเด็จท้าบรมโลกเชตตว่าพระพุทธเจ้าทุกองตัดอย่างนี้ไว้กันหมดเนื้อความเรื่องนี้ก็มีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอริเสภสัมมาทัมโพธิญาณใหม่ๆ วันนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนัยสัมสมาม ส, มสัมพธเจ้ามาบรรลุแล้วสมเด็จพระบทิษแก้วจึงได้ทรงพระเดชพระดําเดินมาโปรดปัญญวิเคีาห์ฤาษีทั้งห้ามีสังกูนัญญาเป็นประธานเมื่อทรงโปรดให้ฤาษีทั้งห้านั้นเป็นพระรันแล้วก็ส่งไปประกาศพระศาสนา ต่อมาก็เสด็จมาพบพระทิยาพระคนผู้เจริญ30คนองสมเด็จพระทศพงศ์ก็เทศเถระเขาเป็นพระสูดาบันส่งไปประกาศศาสนาหลังจากนั้นก็เสด็จมาพบพระอัสชิซึ่งเป็นลูกของมหาเศรษฐีคณะนี้ว่าฟังฟังเทศจ้าองสมเด็จพระจิตาศีและหมดทั้งห้าส5้าคน เป็นอรหันต์หมดก็ทรงทรงไปประกาศพระศาสนาหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพัสสะเจ้าเจ้าทรงเสด็จมาโปรดปัญญวิคีทรงเสด็จมาโปรดปัญญาฤาษีทั้งสามท่านที่เรียกว่าโฟชัดินมีบริวารพันคนองค์สมเด็จพระทศกุลประมาศสันดาสมารัรรมตะเจ้า ประเทศโปรดแล้วเขาไประหันั้งบอกก็ทรงไปประกาศประศาสนาหลังจากนั้นมาสมเด็จพระรมศาสาดาที่เข้าสู่กรุงราชพฤกมหานครเพราะว่ามีสัญญากระจอมบอกพิธิตรศรคือพระเจา้าพิมพิสารบริ บ, รบราัสัตว์เมื่อสมัยพระองค์สมเด็จพระทงสวัสดิโสภาพออกสู่เข้ามาหาวินศสกรม ขนาดนั้นเมื่อผ่านมากรุงราชคศิ์มหานิครพระเจ้าพิบริษัยคิดว่าองค์สมเด็จพระชักรวรรทรงแตกคอกับชาวกรุงอัินพัทจึงได้สละราชสมบัติหนีออกมาอยู่ป่ายังได้ออกข้ามาชวนมาว่าให้เข้าไปครองพระนครร่วมกันเพราะเป็นเพื่อนกัน จะแบ่งอำนาจให้ครึ่งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพฤติการถัดว่ามหาราชของพระวายประขอดมหาบมพิตพระราชสมภานการที่อาตมาตถาคตออกมาค่าวนี้นั้นความจริงไม่ได้แต่คอกับใครเพราะว่ามีความคิดเห็นว่าชาวโลกทั้งหลายทั้งหมดเต็มไปด้วยความทุกข์มีอนิจังหนึ่งความไม่เที่ยง สองทุกขังมีแต่ความทุกข์สามอนัตตาตายสลายตัวหมดเมื่อตายจากความเป็นคนแล้วถ้าบาปอากุศลยังไม่หมดเขาต้องวิ่นบินไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารมีแต่ความลาบากต่อไปนี้อาตมาภาพต้องการพระโพธิยานคือวัลุอวิเศษสัมมาทัณฑโพธิยานเป็นพระพุทธเจ้าต้องการสแสวงหาธรรมนิธรรมบุคคลให้ไม่ตายต่อไป เมื่อจากอย่างนี้แล้วพระเจ้าพิมพิสันนิ迦 ร, รัตนาวา่าถ้าอง์มลุมาลายคว้ามาปลดฆ่าพระพุทธเจ้าก่อนแต่ความจริงพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจจะมาสอนพระเจ้าพิมพิสญญรารัตก่อนเหมือนกันแต่ถ้าว่ามันการมรุอมไเสดสัมมาญญสัพพะทิยานแล้วองค์สนิทพระปฏิบัตแก้วเขาไข่โ ข, ขนด้วยกําลังพระพุทธญาณว่าการเทพคราวนี้เราจะเทพตัวใครก่อน เพียงจะบรรลุบักพลคนฟังก่อนเป็นคนที่มีความสำคัญมาก <c oughs> ถ้าคนฟังครั้งแรกไม่มีการบรรลุบักพลการเทศเข้องสมเด็จพระเทสสทพนก็จะไม่มีความหมายสมเด็จพระจอมไตรปิมกศาสนาจินดินสตุตโตด้วยกำลังอำนาจพระพุทธญาณก็ทราบว่าอาราดาบุตรเทดาบทตึท่เป็นอาจารย์ใหญ่พระพองค์มาติกานก่อน ซึ่งได้อารูปวิชา น, นสองท่านถ้าสองท่านนี่ฟังคำเทศนาขององค์สุเด็จพระสงค์ท่านเพียงแค่จบเดียวก็จะเป็นทหารก็ได้พิจารณาต่อไป ว, ว่าเวลานี้ทั้งสองท่านอยู่ที่ไหนองค์ ส, สุเด็จพระจอมใจก็ทรงทราบว่าเวลานี้ทั้งสองท่านตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นพรหมเป็นอารู ป, ปรพรหม ไม่มีอายะตะนะเป็นเครื่องจะฟังไม่สามารถจะฟังเทศได้ยังได้มีความสลดใจว่าโอ์หนออาจารย์ทั้งสองของเราเป็นผู้ชิบหายจากความดีเสียแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระปัณฑแก้วก็ทรงดำมิต่อไปว่าจะเทศตัวใครก็ทราบว่าปัญญาวิเคราหรือสีทั้งห้าที่เคยปฏิบัติพระองค์มาก่อน มีเทสะโกนัญญะเป็นประธานแล้ฟังเทศเจ้าองค์สมเด็พจพระจินดารวนฟังจบโก น, นัญญะจะได้ดวงตายห็นธทำมคยเป็นประโสดาบันและหลังจากนั้นต่อมาเทศอีกไม่ ก, กี่วันทั้งห ม, ม, ม, มดก็จะสำเร็จอาตาธาพนฉะนั้นองค์สมเด็จพระทศกลยังต้องไปเทศโปรดปัญญวคีฤทธิ์ทั้งห้าก่อนแล้วก็ว่ากับมาตามลาดับ มาองค์สมเด็จพระพู้มีพระพาอเจ้าเข้ามาถึงเขตกรุงรงาชคฤห์มานครจอมบอพิทัษ์ดีสอนคือพระเจ้าพิมลสารบรมมกสัตย์พระบาทเท้าวเธอทรงทราบข่าวจึงนำคนสิบสอลหุทั้งหมด ก, กันไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสัจสันดา พระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงเทศจบพระก็ทรงทุกคนเสด็จแล้วหดเป็นพระโสดาบันพระจำป้าเจ้าพิมพิสัยก็เป็นพระโสดาบันเหลือหน่วยหนึ่งองค์มว่หดที่ที่สองยังไม่ได้ไ ร, ารายเข้าถึงไตรสนาคมต่อจากนั้นมาพระเจ้าพิมพิสัยก็ทรงถวายพระวิรุฬห์มหาวิหารเป็นที่ประทับทรรรพระอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็ถวายความสุขทุกอย่างมีอาหารการเป็นกเครื่องใช้สอยทุกอย่างต่อมาในการนั่นกับปรากมีอะไรเกิดขึ้นในโลกแล้วทั้งหมด2 5งร้อยห้างก็ไปัยกลางเดินสามพอดีไปกลางเดินสามนีบรรดาท่าพุทธบริษัทบางตำราบอกว่าตำราครบพราม เมื่อถึงกลางเดืนสาบรรดาพรานทั้งหมดจะมาจะมาทำวิถีอย่างหนึ่งของพรามณ์บ้องกันมีการประชุมกันแต่เทาว่าวันนั้นบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายจะมาประชุมกันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทร ง, งเสด็จอูก็เป็นนว่าบรรดาพระทั้งหลายที่มานี่ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวกับวิธีของพราหมณ์ ถือว่าเป็นประเพณีนิยมของพทะศาสนาที่พระเจ้ทาทรงตัด <c oughs> ประเพณีของพราหมณ์เขาเรียกว่าสยามโผถึงวางวางการเดินสายพราหมณ์ที่อยู่ที่ไหนทั้งหมดจะต้องอารวมกันทั้งหมดทำพิธีสยามโผรวมประชุมกันแต่ว่าในการในะครั้งนั้นไม่เกี่ยวกับพิธีนี้เพราะว่าบรรดาอรหันท์ทั้งหมด ปรากฏว่าเป็นอรหันต์ดิ่หนึ่งบวชจากพระพุทธเจ้าเองเหมือนกันหมดพระเจ้าให้บวชเองในการจนสองฟังทำร่วมกันทั้งหมดแ้าเป็การที่สมเป็นอรหันต์ทั้งหมดแล้วก็ต่อมามาวะชุมพร้อมกันในเมื่อบรรดาพระสมทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันเวลานั้นองค์สมเด็จพระพักกวรรยังมีพระพุทธติการถือว่าพิกเวดูกนวิสุทธังาย การที่ตะถาคตแนะนำให้เธอทั้งหลายไปสอนบรรดาใบชาชนก็ยังไม่มีกำหนดแน่นอนว่าจะสอนยังไงกันเพราะต่างคนต่างเป็นพระอระหันต่างคนต่างเป็นปรโสาดาบันแต่ความจริงพระอระหันก็ดีปะโสดาบันก็ดีสอนไม่ผิดจะคคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขสอนตามผลที่ตนเองได้บรรลุมาแล้วไม่มีการผิดแท่นอนแต่การสอนก็เป็นการสอนคนละวิธีกรรมต่างคนต่างสอนต่างความถนัดในที่สุดก็มีการมุ่งพระานเป็นที่ไปเป็นที่เพื่ไ ป, ท, ปที่สุดถ้ามุ่งสวรรค์บ้างให้มุ่งพมลโลกบ้างให้ละความชั่ว ตอนนี้เมื่อบัรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมกันหมดอย่างนั้นแล้วองค์สมเด็จพระปฏิแกจึงวางกฎการสอนในพุทธศาสนาไว้ว่าตอนนี้ไปถ้าพวกเธอจะไปสอนที่ไหนก็ตามจำกฎทั้งสามรายการนี้ไว้ให้มป็นพื้นฐานเหมือนกันให้หมดคพือหนึ่งสัพพปาปัสะการนังจงสอนให้ทุกคนละความชั่วทุกอย่าง ขึ้นชื่อว่าความชั่วทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีการนึกทางใจก็ดีให้เลิกเสียค่อยๆแนะนำเขาสอนที่เดียวมันยังไม่ได้ผลค่อยๆปรับลงมาทีละน้อยละน้อยจิตเขาก็จะจินและรายการนี่สอนกฎสรสูปัสมัธาแนะนำให้เขาละความชั่วแล่ตั้งใจระพฤกความดีทุกอย่าง เพื่อผลความสุขมีสวรรค์พรมโลกและนิพานเป็นที่ไปสามพจิตต ป, ประเดียวตะปันนังแนะนำทุกคนให้ทำจิตใจผ่องใส้จกิเลสจะได้ไป น, นิพานไม่เป็นนพานเป็นที่ไปแน่นอนเอตังพุทธานศสาสนังร พ, รนนพระพุทธเจ้าทรงตัดจืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมด ฉะนั้นบรรดาวันนี้บรรดาญาโยมบริษัทบริสาวกโกงสมเด็จพระบรมสุคต <c oughs> ทุกคนเนี่ยเขาเรียกวสาวกโกงสมเด็จ พ, พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนท่านดังหลายเวลาอ่านหนังสือก็คิดว่าเราไม่ใช่สาวกอันนี้ไม่ถูกคำว่าสาวกตามภาษาบาลีเรียกว่าสา ว, กสาวกโกถ้าไม่ใส่วิพัต น, น์อ่านว่าสาวกสาวกกะ <c oughs> สาวากะนี่แปลว่าผู้รับฟังบุคคลใดตั้งใจรับฟังคําสอ น, ขอนเขาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามเรียกกันว่าสาวกทั้งหมดท่นี้สาวกเขาอง์สมเด็จพระบระมสุขคตพระพุทธเจ้ามีความหวังยังไง <c oughs> ถ้ามีความตั้งใจว่าหนึง่งให้ เมื่อตายจากความเป็นคนแล้วมีชีวิตอยู่ให้มีความสุขเป็นขั้นแรกราการที่สองมีสวรรค์ไปดีไปเป็นอย่างน้อยแลือพระบรโลกอริยพานธ์รยการที่สามต้องการในถึงนิพพานทั้งหมดนี่ก็เป็นอันว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสุครคือพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนอย่างไงคอยอย้ำอีครั้งหนึ่งวันหนึ่ง สพรพปาปัสะกันนังทุกคนจงอย่าทำความชั่วคือทอย่าทำบาปทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสิ่งใดที่มันเป็นบาปคำว่าบาปแปลว่าความชั่วจงอย่าทำทุกอย่างถ้บาบังเอิญมีบางเรื่อามันยังมีความจําเป็นจะต้องทำเพราะจิตบัญชิน ค่อยๆหาทางละค่อยๆหาทางตัดพันธ์คิดไว้ในใจว่าวันนี้ทั้งวันตื่นขึ้นมาเราจะไม่ทําความชั่วทุกอย่างบางครั้งมันก็เผลอเมื่อวันนี้เผลอพวกนี้ก็คิดใหม่เราจะไม่ทําความชั่วอย่างนี้ทุกอย่างไม่ช้าดาาูมกฤษณ์ชินมันก็จะไม่ทําความชั่วนั้นเป็การิสรังกุศลสุบะสมะทา เราจะทําแต่ความดีความดีมีอะไรบ้างหนึ่งมีความเคารพในบิดามัรดาผู้มีคุณสงฆ์และปฏิบัติผู้มีคุณให้มีความสุขตามที่เราจะทําอันนี้เป็นความดีเรืการนี้สองรู้จักเวชาประชาพระม่เวลาตื่นขึ้นมาเป็นความดีถ้าการรู้จักบูชาพระเวลาตื่นขึ้นมานี่ ถ้าตั้งใจโบชาทุกวันโบชาไม่ต้องมากใช้เวลาสองสามนาทีก็พอไม่ต้องไปใช้เวลาตั้งชั่วโมงพราะเดีกจะไม่ได้กินข้าวเชาว้าตั้งใจพลิกลุกขึ้นมาจากที่นอนไม่มีทุ่งจะจุดก็ไม่เป็นไรกราบลงไปที่หมอนนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งไว้โดยเฉพาะ ตั้งใจว่านมม า, ม, ามูตัสสะขกวโตุอราตสัมมาสัมพุตัสสะตั้งใจว่าจืฟังครบคำว่านา ม, มูนี่แปลว่าขปเจ้าขอนวัาเสกการพระผู้มีพระพาเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์พระองค์นั้น <c oughs> ถ้าเอากันแค่นี้จริงๆก็ใช้ได้ทำทุกวันให้มันชิง ถ้าถึงเวลานั้นต้องทำตื่นมาใหม่ๆต้องทำตื่นใหม่ๆต้องทำทุกครั้งถ้าคืนไหนไม่ได้ทำวันไหนไม่ทำมันนั้นจะเกิดความไม่สบายใจอย่างนี้แสดงว่าบรรดาท่าพุทธบริษัทมีฌานในพุทธานุสติกรมฐานมันเป็นฌานที่ไม่ต้องนั่งเข้าขัดสมาธิ ถ้าเป็นฌานอย่างนี้คือทําอย่างนี้ทุกวันจนเขามีอารมณ์ชินต้องทําไม่ทําไม่ไหวใจไม่ไปสุศกเป็นฌานแล้วถ้ากําลังใจเดียงขั้นนี้องค์สมเด็จพระพุทธที่แก้วชงตัดว่าถ้าเวลาจะตายท่านจะเห็นพระพุทธเจ้าท่านจะเห็นเทวดาท่านจะเห็นพรหมมาลอยอยู่ในอากาศจะมารับท่านไปสวรรค์เป็นอย่างน้อย ถ้ากำลังใจมีความมั่นคงจริงๆก็ไปถึงผมแต่ว่าบังเอิญในเวลากลางวันและตอนเช้าตอนใดตอนหนึ่งจิตใจเราเกิดไม่นิยมในร่างกายขึ้นมาเอาการทุกๆุกวันนะบางครั้งมาเวลานิดหนึ่งคิดว่าร่างกายนี่มาเต็ไมไปด้วยความทุกข์การหากินก็ทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์กามปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ ความพักคลาดจะกของรักของชอบใจก็ทุกความตายก็ทุกในเมื่อร่างกายเราทุกอย่างนี้ถ้าจะเกิดกี่ชาติไปก็ทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการอย่างนี้อีก <c oughs> ถ้าตายแล้วขอปนานิพานถ้าเป็นอย่างนี้เวลาจะตายถ้าจะไปสารปานิพานทันทีนี่เป็นที่พาิธีปฏิบัติที่ง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผล <c oughs> ต่อไปนี้ก็จะขอเทศตามใจพระองค์สมเด็จพระทศพุทบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหือว่ามีเรื่องที่เพิ่งกล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าครั้งหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ า, าเจ้าเสด็จจุดที่กรุงาาราชกฤลษ์มหานนคคร เวลานั้นปรากฏว่าบรรดาประชากรมีพระเจ้าผีปีศาจบรมปกษัตริย์พระบาทเท่าเธอมีความสุขมากทุกคนก็มีความสุขฝนก็แม่แล้งตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุญาหายก็ บ, บริบูรณ์สมบูรณ์แต่เมืองกรุงข้ามฝั่งกรง ข, ข้ามกลับไปน้ำํำของกรุงนั้นจะขึ้นมหาแล้วขเมืองนั้นปรากฏว่าเขามีความเดืดร้อน ฝนไม่ตกตามฤดูกาลสิ้นเวลาปีหนึ่งบ้างสองปีสามปีมาแล้วมันดาประชาชนหลายก็โทษพระมหากษัตริย์ว่าพระมหากษัตริย์นีไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมผลจิ่แงแรงฉังนั้นพระมหากษัตริย์กับพระบรมราชินีนาจึงตั้งใจและสาอุุโบมสัตสินจำศีลคนละสามเดือน เอากันอย่างหนักเอาก็ให้เต็มที่แต่ปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะทำอย่างนี้ก็ปรากฏว่าฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดกูกาลฝนก็ไม่ยอมจะตก อ, อีกต่างคนต่างก็มาประชุมกันก็ทราบว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจิตรพัชคือพระพุทธเจา้จาเสด็จอยู่ที่ก ร, รุงราชจะคือมหานครใกล้ๆ ก, ก, กันฝั่งกรงกันข้าม เขาก็เลือกันว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนฝนตกตามธรรมาดาคนก็มีความสุขการหากินก็สะดวกสบายเพราะคนมีบุญมีกุศล <c oughs> ทุกคนเนอตัดสินใจกันว่าควรจะไปสรางรัตนาองค์สมเด็จพระพสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาโปรโดและก็เวลานั้นเมือง น, น, น, น, นั้นเมื่อฝนเขาแรงจัดโรคระบาดมันก็เกิดคนก็ตายกันมาก เรียกว่าคนก็ตายกันทุกวันฉะนั้นชาวเมืองนั้นพระมหากษัตริย์จึงตั้งพราหมแปดคนมารณนาองส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงเสด็จไปพระพุทธเจ้าก็ทรงรับขณะที่จะเสด็จไปจะบรรดาท่นพุทธไวสัตย์สาลายให้ทางที่จะผ่านไปจะมันเป็นป่ากว่าจะถึงแม่น้ํา แต่ด้ว่าเป็นเหตุอศัศจรรย์เวลาที่องค์สมเด็จพระพักวนันเสด็จไปเวลานั้นทั้งทางที่แก่เสด็จไปทั้งหมดพระราบรื่นไปทั้งหมดมันเป็นถนนใหญ่ราบเรียบสองข้างทางก็มีดอกไม้สวยสดงามตลอดทางและระหวางที่ไปก็มีเทวดาบ้างมีผมบ้างก้าน ร, ร่มถวายร่มเงากับบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและก็มีธงมีฉัดมีธงเป็นแนวแถวเดียวตลอดสายทางที่ความใจึงไม่น้ําไปของอัศจรรย์เวลานั้นก็ไปเห็นอัศจรรย์แก่คนทั้งหมดพระละหันเห็นเขก็อัศจรรย์ะมหากษัตริย์เองพระเจ้าพิมพ์ศารเห็นก็อัศจรรย์ก็ทราบแปลว่าเมืองน้ำมัเป็นเมืองป่า พระเจ้าพิมิสันจึงเขเด็ดไปพร้อมกระองค์สำเด็จพระสัมมาธรรมวจิตเจ้าเมื่อไปถึงแม่น้ําแล้วปรากวกกลางแม่น้ําพญาน่าก้านฉัดก้านลมมีธงทิวเป็นเครื่องรับในเมื่อฝั่งน้นเข้าเรือมารับองค์สำเด็จดระสัมมาพระเจ้าให้ข้ามไปพระเจ้าพิมิสารพร้อมทั้งเครื่องส่งลงน้ําไปส่งไปส่งเรือทั้งขอ จากนั้นพระราชาฝั่งโน้นจะงเดินลงน้ํามารับราาพระพุทธเจา้าพระพทเจ้าทั้งเครือสมกันถึงขอเหมือนกันรับขึ้นโบกเมื่อรับขึ้นไปแล้วก็ปรากฏมีธงทิวมีถนนราบเรียบมีเทวดาการรั้นลมถวายพระพุทธเจา้าถวายพระอรหันทั้งหมดเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตสมเด็จไปถึงเมือง น, นั้นข้อขึ้นสเด็จไปถึงที่ประทับพอดีฝนตกหนะัก ฝนตกหนักขนาดหนักที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอันนี้เมื่อฝนตกหนักแล้าน้ำม่นก็นองน้ําก็ไหลลงไอ้สิ่งที่เป็นปฏิกูลศพที่เน่าต่างๆมันก็ไหลลงในน้ําไปหมดหลังจากเมื่อฝนหายแล้วองสันเดน็จพระบรมสุคตจึงได้มีพระพุทธติการแต่กระนนนพระอนันธาโดยก่อนอนนน ในเมืองนี้เมื่อผีตายคนตายกันมากโคตรผีวิสัยก็เต็มเมืองถ้าอย่างนั้นเธอจงนำขันนี้ไปน้ำใส่เข้าทาน้ำมนต์ไปพรมให้รอบเมืองเดินอยู่บงกำแพงเมืองพรมให้มันรอบบเพื่อเป็นการปัดเล่าวพวกผีวิสัยที่สิงอยูใ่ในสถานที่นี้พระอัะนดยก็รับขันน้ำมาจากองค์สมเด็จพระจินศี แต่ขันน้ำเนี่ยพระเจ้ายังไม่จะทำน้ำมนต์มันเป็นขันน้ำเฉยๆถ้านตนก็ตั้งสัตยาที่ถานขอบรารมีพระเจ้าเป็นที่พึ่งท่านก็ว่ายาวหน่อยน้ำมนต์บทนี้นะโพตบุพพังพิกเวอาจารย์ยกทรงนะท่านเสกโดยคาถาพูตบุพพังพิกเวไม่เป็นคาถาคาถาขับผีจะไม่ดีนะทุกคนนะ ถ้าว่าไม่ดีผีขับเอานะว่าเราตั้งใจว่าดีถ้าว่าไม่ดีผีขับก็ดีกระเด้งมาจะจะมาทูตพระไม่ได้นะว่าพระตะูกฟังไปก็ประเทศจบจะใบจะใบหัวยยังไงวะนี่ผีนี้เพราะว่าจบทั้งหมดพ่านนมก็ไปพบมบเวลาไปพรบก็นึกถึงบารามีพระพุทธเจา้าว่ากระเทาะวนี้เรื่อยไปรอบเมือง พอพรมไปรอบเมืองแถบหนึ่งปลากรวผีมันหนีจากเมืองแถบนี้ไปยะออกประตูไอจะบุกผีมันมากมันออกประตูไม่ทันมันดังกระแพงเมืองพังไปแถบหนึ่งให้ไม่เจงาเจงว่าได้มันคงจะบุกพังอ่ะวพรจะไอ้ฝาพังทุกทีผีไม่ออก ก็โลวาว่าบรรดาเมืองน่นก็มีความสุขมีความสุขหลงตกต้องทามโลกานผลดีมีคยความปอะโยู่ดีพืชพันธุยาหามดีด้วยแต่นี้พระพุทธเจ้าก็กลับเมื่อเวลาพระพุทธเจ้ากลับเขาก็ทำอย่างนั้นอีกเทวดากลางล่มพรมกลางล่มให้ทางที่มันไม่ราบเรียบ ก, ก็ราบเรียบร่มรื่นดีมากอันเป็นทางปรับดีมาฟังนี้ พอถึงชายฝั่งพระราชาเมืองนั้นก็นมาส่งก็ส่งเรือที่พระพระเจ้าลอยคอมาถึงคอกลับพระเจ้าพิมิสัยก็ไปรับลงไลยรับจากน้ําถึงขอเหมือนกัน ก, ก็เป็นนว่ามาองค์สมเด็จพระพักตวันมรมาสันดากระบมาพักที่พระเวรวรรเมหารแล้วก็มีบรรดาพระสงฆ์ไม่ถามองค์สมเด็จพระพุทธีกแก้ว ว่าพันเตภะกวาข้าที่องค์สมเด็จพระพูทมีพระพ่าเจ้าพระเจริญพระพุทธเย้าขาดข้าพระเจ้าอยากจะทราบว่าด้วยอานุภาพอะไรนั้นในเมื่อกระถานจากที่ตรงนั้นจะขึ้นมหานครไปสู่ท่านนะ้ํามันเต็มบริบาวชัดเวลาที่องค์สมเด็จพระสุรสวัสดิ์ ส, สปปุนทพาเสดไปมันไกลไปถนนราบเรียบเรื่นแล้วใหญ่โตมากกว้างขวาง แม้แต่ผงนิดหน่อยก็ไม่มีขวางสองข้างทางก็มีต้นไม้ดอกไม้สวยสดงดงามมากแล้วก็ในระหว่างข้างๆก็มีเทวดา ย, ยืนถทือธงเป็นแถวมีพรมและเทวดากั้นล้มถวายพระฝั่งนี้ก็บฝ่านู้นกันเหมือนกันแล้วก็ไปถึงฝั่งนู้นก็ปรากฏว่ามีว่ถึงปับฝนตกทันที ขับวันดาสิ่งนันหลายเรนนี้ที่เน่าเน่าให้หมดไปสร้างบ้านเมืองสะอาดแล้วฝนตกกันฝังนนเป็นตามตามตามฤดูกาลเพื่อเพื่อปัญญาหารดีสมเด็จพระเจ้าสีบริวรสัจฉณาสมาธิพระเจ้าจักรรรดว่าพิกาวีดูก่อนพิจิตรนั้นลาย อานิสงส์ที่เกิดขึ้นครา้งนี้ไม่ใช่อานิสงส์ที่อาตมาภาพแตาตถาคตเปรนล้อไปเสกสัมมาทัตโภติยานเอานะมาเอาทรงฟังให้ดีนะจำให้ดีนะไม่ใช่อานิสงส์สมเด็จพระสัมมาทัตโภติญานเป็นอานิสงส์เมื่อสมัยก่อนตถาคตเป็นพรามณ์และก็ยังเป็นพราหมณ์คนจน เวลานั้นมีลูกชายคนดีอยู่คนหนึ่งเป็นลูกชายหวัวปีและก็เป็นลูกชายคนสุดท้องเป็นไงก็มันมีคนเดียว <c oughs> ไม่นาย่างโง่เลย <c oughs> เป็นลูกชายคนเดียวเป็นลูกชายหวัวปีและเป็นลูกชายคนสุดท้องใช่ั้ยตอนมาเมื่อยุประมาณสิบหกปีถ้าเป็นสาม ตามตามธรรมดาพระหม์นี่ต้องให้ลูกชายเรียนไตรเพศใช่ไหมมีรูปเพศแยกเพศสามประเภทนทั้ง3มอย่างทั้งสาเพศฉันไม่รู้เลยฉันเพศอะไรฉันรู้สองเพศเพศผู้ชายและเพศหญิงเฮ้ยทำไมเก่งยูซงทสเดี๋ยวก็อดีว่ายังไม่จบด้วย่าเสีย ใ ห, ให้เรียนใหเรนใจเพ่กับเพื่อนคือเพื่อนเป็นพรามในสอนอัตรธรรมแต่ว่าท่านลูกชายของท่านพรามคนนี้ฉลาดมากตามหลักวิชาเข้าเรียนกสามปีท่านเรียนแค่แค่หเดือนจบหมดจบแล้วแถมยัเก่งกว่าอาจารย์นิดนิดที่ว่าเก่งอาจารย์ในความรู้มีความเฉลียวตัอาจารย์แต่ก็แต่ก็อ่อยสู้ใจาไม่ได้เพราะอาจารย์เป็นอาจารย์ ก็มีความคเคารพอาจารย์อาจารย์ค่อยสอนลูกศิษย์แทนต่อมาท่านก็นมีความคิดว่าความรู้ในใจเพื่อที่อาจารย์สอนไม่ยึ่ทางคนทุกมาแล้วนะไม่ยึดทางคนทุกยันถามว่าอาจารย์ความรู้ที่มีเหนือจากนี้มีไหมอาจารย์ก็บอกว่ามีแต่ว่าไม่ใช่ที่มีท่านถามว่าที่ไหนก็บอกว่าไปที่ภูเขาคันธมาศ อาจารย์ที่นั่นมีความเฉลา่ยกว่าอาจารย์มากนั่นคือพระบัจจีพจรพุทธเจ้าสิเป็นที่อยู่พระบัจจีพจรพุทธเจ้าท่านก็ไปฝากพระบัจจีพจระพุทธเจ้าองหนึ่งให้ศึกษาท่านศึกษาต่อได้ไม่หวนตามหลักสูตรเขาต้องเรียนเป็นปี